وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم لا พวกเขากล่าวว่าทําไมอัลกุรอานจึงไม่ถูกประทานลงมาให้แก่ชายผู้มีความสําคัญแห่ง 2 เมืองนี้ล่ะ اه يمقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه ورحمه ربك خير مما مِمْ يجمعون พวกเขาเป็นผู้แบ่งปันความเมตตาแห่งพระผู้พิบาลของเจ้ากระนั้นหรือเราทั้งหากที่เป็นผู้จัดสรรการทำมาหากินของพวกเขา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 لا جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبلوتهم لا جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبلوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون لا حق من الٰلهي ميได้เป็นประชาชาติเดียวกันแล้ว แน่นอนเราจะให้ผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้ทรงกรุณา مِنْ بَيْتِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ ٱلْأَثَاثُ وَٱلْمَكَانُ ٱلَّذِى يَتَّكِئُونَ وَٱلْزَّخْرَفُ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ และบ้านของพวกเขามีประตูและเตียงนอนทําด้วยเงินซึ่งพวกเขาจะนอนเอกฉันท์บนมันและเราจะให้เครื่องประดับแก่พวกเขาที่ทําด้วยทองคําแต่ทั้งหมดนั้นเป็นปัจจัยชั่วคราวแห่งชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้เท่านั้นส่วนในพระโลภะหน้าที่พระผู้อภิบาลของเจ้านั้นสําหรับบรรดาผู้ยำเกรงเท่านั้น وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ لا بُدาย ผินหลังจากการดํารึกถึงพระผู้ทรงกรุณาเราจะเตรียมไสตนตัวหนึ่งไว้ให้แก่เขาแล้วมันจะเป็นสหายของเขา وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ แท้จริงพวกมันคือชัยฏอนนั้นจะขัดขวางพวกเขาออกจากทางที่ถูกต้องแต่พวกเขาคิดว่าพวกเขานั้นอยู่ในทางนําที่ถูกต้องแล้วฮัตตาอิดาจาอานากอลายาไลตาบัยนีวะบัยนากะบุดัลมัชริกัยน์ฟะบิอิสัลกะรีนจงกระทั่งเมื่อพวกเขาได้มายังเราในปรโลกพวกเขาจะกล่าวว่าอัณิจจา ถ้าระหว่างฉันกับเจ้ามีระยะห่างกันเช่นทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกก็จะดีสหายเหล่านี้ช่างชั่วช้าแท้ๆวะลัยยันฟะอ์กุมุลยะอ์มอิซซะลัมตุมอันนุกุมฟิลอะซาบิมุชตะริกูนและในวันนั้นจะไม่เกิดผลอันใดเลยแก่พวกเจ้าเพราะว่าพวกเจ้าได้อาธรรมแม้ว่าพวกเจ้าจะมีหุ้นส่วนร่วมกันในการรับโทษก็ตาม افا انت تسمع الصم او تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين แล้วเจ้าได้ทําให้คนหูหนวกได้ยินหรือคนตาบอดได้เห็นทางและผู้อยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งกระนั้นหรือ فإمّا نذهبَنّ بك فإنا منهم انتقمون หากว่าเราได้เอาชีวิตเจ้าไป แน่นอนเราก็จะจัดการพวกเขาให้สาสดออนูรียันนะกัลลซีวาดนาฮุมฟาอินนาอะลัยฮิมมุกตะดิรรือเราจะแสดงให้เจ้าเห็นการลงโทษซึ่งเราได้สัญญากับพวกเขาไว้ถ้าจริงเรานั้นมีอานุภาพเหนือพวกเขาตัสตัมซิกบิลลซีอูฮียะอิลัยกะ عليك على صراط مستقيم dan an chau jong yit man tam thi dai thuk om kan long ma kae chao tha jing chao nan yu bon naeo thang kan thieng trong wa innahu ladzikrul lak wa liqaumika wa saufa tusalun la tha jing alquran khue kho tak tuean samrap chao la samrap klum chon khong chao la phuak chao cha thuk sop suan و اسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه اجعلنا من دون الرحمن الهتين يعبدون لقد جون ถามผู้ที่เราได้ส่งมาก่อนเจ้าจากบรรดาศาสนทูตของเราว่าเราได้สร้างพระเจ้าอื่นจากพระผู้ทรงกรุณา เพื่อเคารพบูชาคณะนั้นเลยวะลากอดอัซลนามูซาบิอายาตินาอิลาฟิรอาวนะวะมะลาอิฮีฟะกาลฟะกาลอินนีรอซูลุร็อบบิลอาละมีนเราแน่นอนเราได้ส่งมูซาพร้อมด้วยสัญญาณต่างๆของเราไปยังฟิรอาวและบรรดาผู้นําของเขาแล้วเขากล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นศาสนทูตแห่ง 하푸 아비반 แห่งสากลโลก ลัมมา자อู บายาตินา ithaฮุม 민하 야드하쿤 칸เมื่อเขามูซา ได้มายังพวกเขาพร้อมด้วยสัญญาณต่างๆของเราและพวกเขาก็หัวเราะเยาะต่อสัญญาณนั้นๆวะมา 누리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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون لفرعون دهประกาศท่ามกลางกลุ่มชนของเขา เขากล่าวว่าโอกลุ่มชนของฉันอาณาจักรแห่งอียิปต์นี้มิได้เป็นของฉันดอกหรือและแม่น้ำเหล่านี้ไหลผ่านเบื้องล่างวังของฉันพวกเจ้าไม่เห็นดอก ام انا خير من هذا الذي هو مهين لا يكاد نبيينยิ่งกว่านั้นฉันยังดีกว่าคนนี้ซึ่งเขาต่ำต้อยและแทบจะพูดจาไม่ชัดถ้อยชัดคำلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنينถ้าเช่นนั้นแล้วทำไมไม่สวมกำไลทองให้แก่เขาล่ะหรือมีมาลาอิกะติดตามมาอยู่กับเขา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 และเมื่ออีซาอิบนูมารยัมถูกยกมาเป็นอูทาฮอรดูสิกลุ่มชนของเจ้าก็โห่ร้องด้วยความขบขันวะกาลูอาลฮะตุนนาค็อยรอนอัมฮูมาดะระบูฮูละกะอิลลาจะซะลาบัลฮุมกออ์มุนค็อซิมูนและพวกเขากล่าวว่าพระเจ้าทั้งหลายของเราดีกว่าหรือว่าเขาอีซา พวกเขาไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องนี้แก่เจ้าเพื่ออื่นใดนอกจากการโต้เถียงยิ่งกว่านั้นพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ชอบการโต้เถียงอีกด้วยอินฮัวอิลลาอับดุนอันอัมนาอะลัยฮิวะญะอัลนาฮูมะษะลัลลิบะนีอิสรออิลเค้าเอซาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นบ่าวคนหนึ่งซึ่งเราอัลเลาะห์ได้ความโปรดปรานแก่เค้า และเราได้ทําให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่วงวานอิสราเอลวะลออนาชาอูละญะอัลนามินกุมมะลาอิกะตันฟิลอัฎดิยัคนุฟูนและหากเราประสงค์เราจะให้มีมลาอิกะขึ้นจากในหมู่พวกเจ้าให้เป็นผู้สืบช่วงในแผ่นดินนี้ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَٰذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا لَتَأْتِينَ خَالِيسًا نَّأْنُونُ بِالْكُرْمَاءِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ اننه لكم عدو مبين لا ياي شيطان ماขัดขวางพวกเจ้า แท้จริงมันเป็นศัตรูตัวฉกาจของพวกเจ้า ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه ومبين لهم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون และเมื่ออีซาได้มาพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งเขากล่าวว่าแน่นอนฉันได้มาหาพวกเจ้าพร้อมด้วยบทบัญญัติแห่งคัมภีร์อินจีลและเพื่อฉันจะได้ชี้แจงแก่พวกเจ้าให้กระจ่างแจ้งในบางเรื่องที่พวกเจ้าขัดแย้งกันดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลเลาะห์และเชื่อฟังปฏิบัติตามฉันเถิดอินนัลลอฮะฮัรบบีวะรบบุคุมฟะอ์บุดูฮู هذا صراط مستقيم تأتي ان الله นั้นพระองค์คือพระผู้อภิบาลของฉันและพระผู้อภิบาลของพวกฉันดังนั้นจงเคารพภักดีพระองค์เถิดนี่คือแนวทางอันเที่ยงตรง فاختلف الاحزاب من بينهم فوين للذين ظلموا من عذاب يوم اليم نิกาย ต่างๆ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 الاخ الاو يومئذ بعض لبعض عدون الا المتقين اي عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنون او ปวงบ่าวของข้า ไม่มีความหวาดกลัวใดแก่พวกเจ้าในวันนี้และพวกเจ้าไม่ต้องเศร้าสลดใจอัลลซีนามานบิอายาตินาวะกานูมุสลิมินบรรดาผู้ศรัทธาต่อสัญญาณทั้งหลายของเราโดยที่พวกเขาเป็นมุสลิมโอดุคูลุลญันนะตัมวะอซวาจุกุมทุฮบะรุนพวกเจ้าจงเข้าไปในสวนสวรรค์ ทั้งตัวของพวกเจ้าและคู่ครองของพวกเจ้าอย่างสดชื่นแจ่มใสเถอะยูฏอฟุอะลัยฮิมบิซะฮาฟิมินซะฮาบิวะอควาบวะฟีฮามาตัชตะฮีลอานฟุซวะลัดดุลอะอยูนวะอันตุมฟีฮาคอลิดูนจะมีจานทําด้วยทองคําและแก้วน้ําถูกนํามาเวียนรอบๆพวกเจ้า ละในสวนสวรรค์นั้นจะมีสิ่งที่จิตใจของพวกเขาต้องการและสายตาของพวกเขาชื่นชมยินดีและพวกเจ้าจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลวาซิลกัลจันนะตุลลตีอูริซตุมูฮาบิมากุนตุมตัมมัดูนและนั่นคือสวนสวรรค์ซึ่งพวกเจ้าได้ถูกให้รับเป็นมรดก ตามที่พวกเจ้าได้กระทําความดีเอาไว้และภูมิ فيها فاكهه كثيره منها تاكلون ในสวนสวรรค์นั้นจะมีผลไม้มากมายสําหรับพวกเจ้าพวกเจ้าจะได้กินส่วนหนึ่งจากมันอินัลมุจริมีนฟีอะซาบิญะฮันนะมะคาลิดูนบรรดาผู้กระทําความผิดนั้น จะถูกลงโทษอยู่ในนรกยาฮันนัมตลอดกาลลายุนฟัตตัรอันฮุมวะฮุมฟีฮิมุบลิซูนการลงโทษนั้นจะไม่ถูกลดหย่อนแก่พวกเขาและในการลงโทษนั้นพวกเขาจะเป็นผู้หมดหวังวะมาซอลัมนาฮุมวะลาคินกานูฮุมอัซซอลิมีนและเรามิได้อาทําต่อพวกเขาแต่พวกเขาต่างหาก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 แท้จริงพวกเจ้าเป็นผู้ผํานักอยู่ตลอดไปเราก็ได้จินนาคุมบิลฮักก์วะลากินนะอักษัรกุมลิลฮักก์กะริฮูนโดยแน่นอนเราได้นําความจริงมายังพวกเจ้าแล้วแต่พวกเจ้าส่วนมากเป็นผู้ชิงชังความจริงหรือว่าพวกเขาได้ตกลงวางแผนในเรื่องใด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 قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าหากพระผู้ทรงกรุณาทรงมีโอรสดังนั้นฉันจะเป็นคนแรกในหมู่ผู้เคารพภักดีทั้งหลายสุบฮานะร็อบบิสสมาวาติวัลอัรชิร็อบบิลอัรชิอัมมายัสฟูน มหาบริสุทธิ์แด่พระผู้เป็นบานแห่งบรรดาชั้นฟ้าและปราชญ์พระผู้เป็นบานแห่งบัลลังก์ทรงบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขากล่าวอ้างดะนันเจ้าจงปล่อยพวกเขาให้มั่วสุมและหลงระเริงจนกว่าพวกเขาจะได้พบวันกิยามะห์ของพวกเขา ซึ่งพวกเขาถูกสัญญาไว้ว่าฮูวัลลซีฟิสซมาอ์อิลลาฮูวะฟิลอัรฎิอิลลาฮวะฮวัลฮะกีมุลอรีมละพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งชั้นฟ้าและพระผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินและพระองค์คือผู้ทรงประชายานผู้ทรงรอบรู้ وَا تَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِيَادَتُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ความสิริมงคลจงมีแด่พระผู้ซึ่งอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์หน้าที่พระองค์นั้นมีความรอบรู้ถึงวันอวสาน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 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ لَذَا تَเจ้า ถามพวกเขาว่าใครเป็นผู้สร้างพวกเขาแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลเลาะห์แล้วทําไมเล่าพวกเขาจึงหันเหออกไปทางอื่น وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ แล้วจะมีเสียงกล่าวของเขาว่าโอ้พระผู้บำบานของฉันแท้จริงชนเหล่านั้นเป็นกลุ่มชนที่ไม่ศรัทธาดังนั้นเจ้าจงให้อภัยพวกเขาและจงกล่าวว่าสันติและพวกเขาก็จะรู้